ขอความเจริญในธรรมจงมีแล่ท่านผู้ฟังทา่าไรแตรมประโทยิญาณในวันนี้ก็คงก็เป็นการจำแนกแสดงมาจากที่ต่างๆนะฮะท่านสรุปรวมไว้อย่างที่บอกไว้ในวันก่อนว่าส่วนใหญ่เนี่ยท่านจะสรุปรวมไว้ที่สีลนิเทศในคำภีวิสุทธิมัครคำภีวิสุทธิมักในี่เรียกว่าปกรณ์พิเศษคือวิสุทธิมัก เป็นเอกสารทางพระพุทธศาสนาที่แพร่หลายในต่างประเทศมากแล้วก็ต่อมาก็คือกระไลอฟเอเชียพีเปเซียแล้วก็ข้อที่สามก็คือพระธรรมบทสมเล่มเนี่ยจะแพร่หลายในต่างประเทศนะไอทำให้ฝรั่งรู้จักพระพุทธศาสนาความลึกซึ้งความประณีตของพระพุทธศาสนาจากเอกสารสามเล่มเนี้พระสงค์ไปเข้าไปทีหลังนะ ทางยุโรปทางอเมริกาหนังสือธรรมะสามเล่ม น, นี้จะแพร่หลายกระจายไปก่อนแต่เวลา น, นี้มีเยอะแล้วนะมีมีเป็นหมื่นแ ส, น, สนไปแล้วในชุดต่อไปเนี่ยมันเป็นการจำแนกถึงหลักการในการปฏิบัติศีลซึ่งเราจำแนกโดยกลุ่มบุคคลนะมันจะออกไปเป็นสี่กลุ่มเขาเรียกว่าปกติศีล คือศีลที่เป็นปกติธรรมดาของคนรู้ทั่วไปรักษาได้ดีบ้างไม่ดีบ้างมากบ้างน้อยบ้างนะจํากัดเวลาบ้างไม่จํากัดเวลาบ้างก็ได้แต่ก็ถือเป็นการรักษาโดยปกติเพราะอะไรเพราะว่าโดยธรรมชาติศีลมันก็แปลว่าปกติปกติคนที่เกิดมาเนี่ยไม่ใช่เพื่อฆ่ากันเพื่อล่วงละเมิดสิทธิในทรัพย์สินของกันและกันและเมิดในคุกครองของกันและกันโกหกหลอกลวงกัน คือเราไม่ได้เตรียมตัวมาเพื่อเถียนค่าทำลายล้างกันแต่ว่ามนุษย์มีสมองมีจิตนะมีจิตใจที่มีสำนึกมีมโนธรรมมีริมีวัฏปะมีความระมัดระวังรู้ความเหมาะความควรว่าอะไรควรหรือไม่ควรเนี่ยมันก็สำรวมระวังเพราะาโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยเราจะไม่ละเมิดสีหน้าโดยธรรมชาติอยู่แล้วแต่ว่าพอไปละเมิดก็แสดงว่าเราผิดปกติ ปกติกายปกติวาจารเราเป็นอย่างนั้นแต่พอไพลเมเมอร์ก็แสดงว่าสูญเสียปกติคือละปกติภาพของเราไปเราละปกติภาพของเราไปเราก็อยู่อย่างไม่มีความสุขเพราะปกติภาพมันเชื่อมโยงกับสุขแต่ถ้าไม่ปกติมันไปเชื่อมโยงกับทุกข์เพราะสังคมเราที่มีความเดือดร้อนกันอยู่วุ่นวายกันอย่างทุกวันเนี้เราสังเกตว่ามีอะไรอ่ะผิดศีลด้านะ ท, ทั้งหมดเลยเวลาสอนพระใหม่เนี่ย มาชอบยกตัวอย่างประวัติศาสตร์เหตุการณ์ต่างๆในบ้านเมืองให้เธอคิดเอาลองดูว่าปัญหาอาญยกรรมทั้งบวงในโลกตั้งแต่โลกมีคนมาเนี่ยมันไม่เคยรอดพ้นไปจากการละเมิดศีลทั้งห้าประการวารยกรรมทั้งหลายมันเป็นการประทุษประทุษรลายต่อชีวิตประทุษรลายต่อทรัพย์สินประทุษรลายในทางเพศแล้วก็ โกหกหลอกลวงส่ร้ายป้ายสีกล่าวหายุ่ยรำตำไม่รู้มันก็ปนปวดทีเ น, นี้ยแล้วก็ตกเป็นทาสของสิ่งเสพติดทั้งหลายทุกยุคทุกสมัยบางครั้งนี่เกิดสงครามเพราะสิ่งเสพติดเดี๋ยวแม้จะสงครามขวันที่จีนเนี่ยมันก็เกิดสงครามเพราะสิ่งเสพติดหรือแม่แต่ในชิคาโ ก, โกสหรัฐอเมริกาคราวหนึ่งสมัยแอนคาโปลนะ่ะสงครามก็เพราะสิ่งเสพติดคือเรื่องสุรามันปัญหาเหล่าเนี้ย แต่และเรื่องเนี่ยมันเกิดสงครามได้ทั้งนั้นบางครั้งบางคราวก็เป็นการประทุสร้ายตัอใครสักคนหนึ่งแล้วก็ลุกลามบานปลายจนเป็นสงครามบางครั้งก็ไปละเมิดสิทธิในทรัพย์สินในจุดใดจุดหนึ่งเช่ น, นไปบุกรุกดินแดนของประเทศใดประเทศหนึ่งแล้วเกิดเป็นศึกสงครามบางทีก็แย่งผู้หญิงย่งผู้หญิงเยอะจริงไม่รู้เป็นยังไงมนุษย์นี่แย่มากๆเลยเพียงนึกคำขำไหมนะวันนัดีที่เรามาอ่านมาศึกษากันทีนี่ยมานามั่งวิเคราะห์ดู ไอรามเกียร so ์เน so ี่ยก็เรื่องผู้ชายสองคนแย่งผู้หญิงคนเดียวกันยักษ์กับมนุษย์เนี่ยไปแย่งผู้หญิงมนุษย์กันรบกันอุตลุดฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กันเลยเพราะเหตุเพียงผู้หญิงคนเดียวในเรื่องของเราอะไรพระภัยมณีก็เป็นเรื่องผู้หญิงสองคนแย่งผู้ชายคนเดียวกันเรื่องของคุณช้างขุนแผนก็เรื่องของผู้ชายสองคนแย่งผู้หญิงคนเดียวกัน นะแม้แต่เรื่องสังทองตอนเท้ายึดสรยมูลลองสังเกตว่าเรื่องนางจันทเทวีกับ น, นางจันทาเทวีเนี่ยไปแย่งผู้ชายกันนางจันทาเทวีนะแย่งนางจันเทวีเขาไม่ได้แย่งอะไรหรอกอันนี้ก็คือเรื่องอย่างเงี้ยมันก็ยุ่งๆกันอยู่อย่างเงี้ยมนุษย์เนี่ยเพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องศีลจึงถือว่าเป็นอำนามูลฐานของสังคมสังคมจะอยู่สุขหรือไม่สุขก็อยู่ที่คนมีศีลหรือไม่มีศีลถ้าอยู่อยู่อย่างมีศีลก็เป็นปกตินะ โลกมันก็ปกติส ง, งบเย็นไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีอันตรายวันแนวศีลทั่วไปเนี่ยก็จะมองระดับนี้วันศนีลปกติเนี่ยที่มันมีปัญหาคือมันไม่ค่อยปกติผมไม่ค่อยปกติก็มีปัญหาแต่นั้นเองแต่ประการต่อไปเนี่ยมันเขาเรียกอาจายศีลคือถ้าเป็นพระเนี่ย แต่ว่าสาธุชนเองไม่ได้กำหนดไว้แต่ยันลือมาอาจาระนี่คือกิริยามัญยติความเป็นพุดด้ดีความสุภาพเรียบร้อยจะพูดจะนั่งจะลุกจะเดินอะไรต่ออะไรเนี่ยเป็นการแสดงถึงพัฒนาการในด้านต่างๆถึงแน่นอนสังคมไทยปัจจุบันในี่เริ่มปรับเปลี่ยนเราจะเน้นเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเราจะเอาแบบเดิมไปได้มันไม่ทันกับยุคสมัยแล้วมันต้องกระฉับกระเฉงว่องไวประเรียว ม, มีความเชื่อมัน่น ในตัวเองสูงเขาเรียกว่าหญิงแกร่งหญิงเหล็กญิงเก่งนะฮะยิงทํางานอะไรนี้ก็เก่งเยอะๆนะฮะแล้วเยนว่ปูการีภาพไม่ได้เหมือนเดิมไม่แช้แลมัช่อมช้อยไม่สุภาพอดอดนโยนไอ้อย่างนั้นมันอยู่ก็ย่า่ข้าวก็เรือดก็ได้นะะแต่ว่าถ้าออกไปข้างนอกแล้วค่อนข้างมีปัญหาเหมือนกันเพราะบางทีมันกลายเป็นภาพอ่อนแออยู่ภายในแล้วก็อ่อนน้อมถ่อมตนเชื่อง่ายอะไรเกินไปเราก็ถูกต้ม ง, ง่ายด้วยนะ บนในยุคสมัยตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องที่จะต้องมองเหมือนกันว่าตรงไหนควรจะใช้ยังไงปฏิบัติยังไงแม้แต่ว่าอาจาระมัญญ่าทั้งหลายที่พระเจ้าทรงวางไม่แก่ประสงค์ไม่เกี่ยวกับลาเทศะกลุ่มคนบุคคลอะไรแต่ไรเข้าไปผูกพันอยเยอะไม่ใช่ว่าจะเพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งนนะแล้วก็บางทีเนี่ยเป็นอะไรละ่ะจารีตของสกุลจํานวนบาลีท่านเรียกว่ายันตามสกุลตลอดถึงอะไรละ่ะท้องถิน่นประเทศ ลทัทธิขนรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมการปฏิบัติทั้งหลายนี่ที่จริงก็คือศีนปกติบภาพของเขายังวมีคนก็มาเล่า ว, ว่าเขาไปออสเตรเลียนะเขาเห็นผู้หญิงแมม่มนีฮะแม่มก็เดินเฮเปนคนนี่เดินเนี่ยกับคนไทยเลยเข้าไปสัมภาษณ์ดูนะสอบถามกันดู เป็นผู้หญิงที่สนใจในพระพุทธศาสนาจนเข้ามาศึกษาแล้วมาบวชเป็นชีอยู่ระยะหนึ่งแล้วก็ลาเพศออกไปแล้วก็ติดนิสัยนะคือเดินจะพูดจะนั่งเนี่ยเป็นเป็นคนไทยไปกิยามันยาสุภาพเรียบร้อยนั่งพระเพียบตัวตรงเนี่ยายากนะคนในโลกเนี่ยพูดเป็นเล่นไปคนไทยเป็นคนที่นั่งพระเพียบตัวตรงได้ เราเคยสังเกตว่าถ้าต่างชาติแล้วจะยากมากนะแม้แต่เอเสียด้วยกันยังเข้าใจว่าลาวลาวขา้มามญพม่านี่ยังไม่เคยไม่เคยพบนะไม่เคยเห็นแต่ลาวข้าเม น, นี่เขานั่งได้นางพระเพียรปุดตรงเพราะว่าเราอยู่ในวัฒนธรรมก็เรียกว่าเปิดเกือเป็นอันเดียวกันเป็นเพื่อนบ้านที่ซึมซับอะไรของกันและกันไวมากแล้วก็แสดงว่าพวกนี้ที่ยิงมาเป็นศีลอย่างหนึง่งเป็นอาจารระศีล อาจจะร ก, ก็คือความประพฤติมัน ญ, ญาติกิริยาวาจาตรงไหนควรไปหรือไม่ควรไปควรพูดหรือไม่ควรพูดควรทำอย่างไงไม่ใช่ว่าไปจํากัดเราทำอย่างนั้นไม่ได้แต่ปาวนาว่าทำที่ไหนเช่นกิริยาบางอย่างใครจะหกกระเบนตีลังกายัางไงก็ตามในห้องตัวเอกเนี่ยไม่มีใครว่าอะไรมันไม่ได้ผิดศีลอะไรแต่ว่าไปเป็นกิริยามัน ญ, ญาติต่อนหน้าสาธารณะกับนั้นอันนั้นก็ต้องรมัาระวงัง เป็นศีลประเภทเรียกอาจาระของพระนั้นกําหนดเป็นวินัยนะกําหนดเป็นวินัยเช่นสมบัติผู้ดีของเราที่เจ้าพระยาพระเสด็จเรียบเรียงไว้น่ะเออถ้าเราดูให้ดีแล้วก็เอามาจากหนังสือเนกว่าติพระใช้เรียนเนี่ยเรียกเสกขียวัตรมีอยู่เจ็ดสิบห้าข้อเลยแกว่าด้วยการวางตัวการนุ่งการห่มการวางตัวการใช้ดียบดเนี่ยยี่สิบหกข้อ ว่าโดยการรับรับอาหารเนี่ยสี่ข้อว่าโดยการบริโภคอาหารเนี่ยยี่สิบหกข้อแล้วว่าด้วยการติดต่อสัมพันธ์กับบุคคลอื่นตามเหมาะควรแก่ฐานะการลาเทศะกลุ่มคนบุคค ล, คลอะไรก็ทั้งหมดก็สี่หกข้อแล้วว่าด้วยสภาพแวดล้อมที่ตนเข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์สามข้อรวมแล้วก็เป็นเจ็ดสิบห้าข้อเรียกเป็นคิจาว่าเป็นสมบัติพูดดีอในฐานะที่เป็นอาจารย์สอนพระวินยัยปิฎก เกิดมานั้นอาจจะศึกษาไม่เคยเหมือนคนอื่นเท่าไหร่นะคือจะศึกษาในแง่ของข้อเท็จจริงด้านประวัติศาสตร์ข้อเท็จจริงด้านของธรรมะแต่ข้อเท็จจริงด้านของปาฏิหาริย์คือเรามองว่าสีขาวบทบัญญัติในพระวินัยเนี่ยตามหลักแล้วเนี่ยต้องมีต้นเหตุเขาเรียก อ, อธิกรมมิกะคือต้องมีคนสร้างเรื่องขึ้นแล้วพระเจ้าก็ทรงประรบเรื่องเหล่านั้นแล้วก็นํามาชี้แจง ความถูกความผิดแลนัยสูงสรงบัญญัติขึ้นมาเป็นบทบัญญัติตามระิบัยและจากโครงสร้างตรงนี้เราจะเห็นว่าพเพราะเสขียวัตรเนี่ยมันไปอ้างภิกษุชา พ, พัคีมากเกินไปจนมีความรู้สึกอุเป็นไปไม่ได้ที่ว่าคนกลุ่มเดียวเพียงหกคนนะั้นเองไปทำอะไรมั่วซสียหมดเลยแล้วก็พอมาถึงภิกษุณีสามเณรพุพทธงาซาธรรมิกทั้งห้าเนี่ยมันมีเสขียวัตรเท่ากันแล้วก็เหมือนกัน ซึ่งก็หมายความว่าตรงนี้พระพุทธเจ้าต้องเอาคัติยาขัตยิตยาวัดนะฮะวัดปฏิบัติของกรรษัตริย์ในราชวงศ์สกยะเนี่ยเป็นผู้ดีชั้นสูงเนี่ยเข้ามาบังคับใช้ในหมู่สงคือไม่น่าจะมีต้นบัญญตัติแต่ว่าเป็นพระพุทธประสงค์ที่ต้องการสร้างหล่อหลอมวรรณะต่างๆเข้าเป็นหนึ่งเดียวคือเรีย ก, กว่าอาจจะเรียกว่าสมณะวัรณะก็ได้ สอนสอนละเอียดมากนะสอนตนั้งแต่เข้าวห้องน้ําสอนถ่ายยังไงนะพู้เจ้าสอนตั้งแต่ขับถ่ายเลยอาบน้ําถูตัวยังไงวางผ้ายังไงเข้าไปห้องน้ำเนี่ยเข้าไปยังไงอะไรเลยโอ้สอนละเอียดมากสอนไปจนถึงนิพพานนะฮะไม่มีคําสอนไหนที่สมบูรณ์เพียบพร้อมหมดถือถ้าเรานํามาร้อยเรียงนะฮะนํามาร้อยเรียงให้เป็นพื้นฐานไปเดินไปเรื่อยๆนะฮะเป็นบันไดไต่ขึ้นไปเรื่อยๆ จะเห็นถึงความยิ่งใหญ่แห่งประสัพพันธุตญาณที่มองผ่านทะลุกาลเวลามาเป็นนันมากแล้วก็ไปแทรกซึมอยู่ทุกอังคาประโยคของความเป็นประชาคมโลกหรือไม่ว่าที่ไหนก็ตามนะฮะเร า, เาธรรมะเข้าไปแล้วมันจะทันสมัยตลอดเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจแต่ก็น่าเสียดายนะว่าคนไทยเราไปเป็นไปบูสงก็รั์อยู่นานรัาบาลสงเองก็ ไม่มีการขยับเยื้อนเคลื่อนไหวที่จะพัฒนาองค์กรนะฮะบริหารจัดการหมายความมาธรรมะไม่ต้องไปแต่หรอกแต่ว่าทํายังไงจะรวบรวมเรียบเรียงหมูขึ้นมาแล้วก็ให้เหมาะสมกับยุคสมัยการสื่อสารเที่เหมาะสมกับยุคสมัยกับคนรุ่นใหม่เนี่ยคือคณะสงฆ์เขาเขาไม่ได้คิดเป็นเรื่องที่น่าที่น่าเสียดายมากพอสิ้นสมเด็จประมาชธรรมะแล้วเนี่ยเราไม่มีความริเริ่มใหม่ๆ เกิดขึ้นแล้วก็ตามรอยนะฮะตามรอยไปเรื่อยๆพะแม้แต่ระดับหมหาวิทายาลัยพระพุทธศาสนาเวร น, นี้ไม่มีหมหาวิทยาลัยสงฆ์นะเห็นพวกครูบาอาจารย์นักศึกษาที่พูดหมหาวิทยาลัยสงฆ์อยู่หมหาวิทาลัยสงฆ์ไม่มีในประเทศไทยนะะต้องรู้ว่าอย่างนึงเป็นหมหาวิทยาลัยแห่งรัฐแล้วเวเลยเนี่ยเป็นหมหาวิทยาลัยแห่งรัฐตามพระราชบัญญัติแล้วกฎหมายบังคับใช้ไปนานแล้วนะมันเป็นการสืบสารต่อจากท่านใอยุคสมัยของท่านเท่นทั้นเอง ตรงนี้กลายเป็นเรื่องมีน่าเสียดาโอกาสโอกาสพอไม่เคยมีความคิดที่เริ่มบุกเบิกในงานได้าตรงนี้ประการต่อไปนั้นเขาเรียกว่าธรรมดาศีลคือธรรมดาเนี่ยคืธรรมดาเป็นความธรรมดาของพระพุทธเจ้าธรรมดาทั้งหลายธรรมดาของออมารดาพระโพ ธ, ธิสัตว์ธรรมดาเลย มันธรรมดาของเต่าที่จำํำศีลธรรมดาของกบที่จําศีลธรรมดาของไส้เดือนที่กินดินอะไรเนี่ยธรรมดาเขาเรียกธรรมดามันพระช น, นีของพระโพธิสัตว์เนี่ยจะไม่มีจิตกําหนัดในทางเพศต่อผู้ชายอื่นจะหล่อชะงางามยังไงก็ตามท่านไม่มีความรู้สึกในทางเพศเลยตั้งแต่พระโพธิสัตว์ก่อนคือไม่หมายความว่าพระ ข, นขอนทานเนี่ยเป็นฐานรองรับคนรนะดับพระโพธิสัตว์นะ จะไม่มีจิตกำหนัดในทางเพศต่อชายอื่นนอกจากพระเจ้าสุโทธทนะแต่พอพระโพธิสัตว์หรือประเทวทิติในพระคันเนี่ยไม่มีความทนใจสนพระไทยในเรื่องนั้นเลยเพรารักษาคันไว้อย่างดีแล้วก็เราอาจจะพูดในแง่ของการเดินทางในแง่ของยุคสมัยนะว่าเป็นเหตุและที่บุงโคตเร็วเนี่ยแต่ว่าท่านหลักของบารมีทำหลักธรรมดานะเราธรรมดา มัณดาพระโพธิสัตว์ต้องที่วงโคตรเร็วเพราะอะไรเพราะว่าพระคันของท่านนั้นมีไว้เพื่อเกิดพระโพธิสัตว์เท่นั้นเองเพื่อเกิดไปอยู่ของโพธิสัตว์แท่นั้นเองไม่ใช่สาธารณะทั่วไปแก่สัตว์โลกทั้งหลายนะฮะนี่ก็คือธรรมดาของพุทธมารดาทีนี้อีกอย่างหนึ่งศีลอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าอุปาเหตุตุกัดศีล คือเป็นศีลของพระโพธิสัตว์ที่ท่านมีเป็นอัตยาศัยของท่านตั้งแต่ยังสมงพระยาว์มาโดยเฉพาะยิ่งคือศีลห้านี้เป็นปกติวิสัยของท่านท่านเป็นก็ท่านอย่างนั้นเกิดแปวมาถึงก็ไม่มีแม้แต่ความคิดจะไปเบียดเบี้ยนตรัสจะไปลักขโมยจะเป็นอะไรเนี่ยก็เรียกว่าเป็นผู้ดีชั้นสูงคือคุณธรรมท่านสูงพอที่จะควบคุมตัวเองได้ ด้วยอำนาจแหละด้วยอนานาจของศีละบา ร, รมีที่ท่านเก็บสะสมบวชปมสืบต่อกันมาเป็นเวลานานเนี่ยไอ้นี้ก็เป็นการจำแนกในเชิงที่เรียกว่าตามกลุ่มคนจึงก็หมายความว่าในความเป็นสังคมในความเป็นคนไทยมีพวกอาจารศีลเป็นอันมากซึ่งบางครั้งเราก็รู้สึกเสียดายนะว่าไม่น่าจะหายไปเพราะมันเป็นเอกลักษณ์ของชาติเรา นะเช่นว่าการปฏิสัมพันธ์ในรูปแบบดั้งเดิมของเราคือผู้น้อยผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผู้น้อยนะฮะแต่เราเจนว่าผู้ใหญ่ก็มาดมากเหลือเกินนะผู้น้อยก็ค่อนข้างกัดด่างไปก็เลยหาจุดบรรจบไม่ได้ก็เป็นห่วงเหมือนกันนะว่าถ้าขืนอยู่กันในลักษณะนี้ผู้ใหญ่มีแต่มาดกันมากๆเนะี่ยเด็กมันก็หน่ายนะฮะมันไม่ร่วมยุค ก, กับเด็กเด็กมันก็หน่ายแล้วในที่สุดเด็กเองก็ต้องรับบา เพราะว่าไม่ยึดมั่นอยู่ในหลักการที่ถูกต้องแล้วก็ถูกกระแสของวัฒนธรรมต่างแ ด, งแดงนมาชุดกระชากไปซึ่งเป็นเรื่องที่น่าที่น่าคิดน่าห่วงเหมือนกันและวก็ยังนึกถึงอีกเรื่องหนึ่งคือพวกอะไรล่ะพวกขันโธนดทเนียมประเพณีทั้งหลายที่รัชกาลที่ห้าทรงนิพนเอาไว้เป็นประเพณีสิบสองเดือนไอ้นี่พี่จริงก็คืออาจารยศีล มันเป็นแบบแผนที่ยึดถือประพฤติปฏิบัติมาแล้วก็สร้างขึ้นมาเป็นสัญลักษณ์เรารณรงค์ในแง่ของการส่งเสริมการท่องเที่ยวเรารณรงค์ในแง่ของวัฒนธรรมแต่ว่าทํากันประเดี๋ยวประเดาแล้วก็หายไปแทนที่จะสืบต่อพราะว่างานบางอย่างเนี่ยถ้าเรายินดีร่วมมือร่วใจกันเนี่ยมันเมื่อได้มากอะไร แต่อย่าลืมนะเช่นว่าประเพณีสงกรานต์ก็ดีประเพณีกรารละเล่นในเทศกาลสงกรานต์ก็ดีหรือว่าประเพณีรนดน้ำดําหัวศาสตร์วันธาดุวันจุดอะไรต่รางๆเนี่ยมันเป็นจุดเชื่อมโยงความรู้สึกผูกพันฉันญาติฉันมิตรฉันคนบ้านใกล้เรือนเคียงให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและโดยเฉยเพาะอย่างยิ่งคือเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเด็กรุ่นใหม่ที่แกเริ่มจะห่างเหินกับผู้ใหญ่ในส ก, กุลออกไปโดยลําดับ จนบางครัง้งบางคราวไม่รู้จักนะะแล้วก็นับชนหัวชนหางไม่ถูกเลยไม่ต้องว่าคนก่อนอาจจะมาเองเนี่ก็เยอะนะะญาติพี่น้องแล้วก็พอเข้ามาเล่าเราก็จับหัวชนหางไม่ถูกเลยเพราะเราไม่มีพื้นความรู้ในเรื่องเหลนี้มาบางกรมีญาติจุกลุมหนึ่งมากันหลายคนมาตั้งยี่สิบกว่าคนนะแล้วก็มาแนะนําคนนั้นเป็นลูกคนนั้นคือทั้งสายเนี่ยเราไม่รู้เรื่องอะไรเลย บอกว่าก็นําอย่างนี้ต้องขอโทษนะฮะจะไงมันก็จําไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีพื้นฐานความรอบรู้ในเรื่องตรง น, นี้มากว่าเรามีญาติพี่น้องอยู่ที่ไหนเป็นยังไงเวลานี้อยู่ที่ไหนนำสมุลใดเนี่ยเราไม่รู้อยู่เยอะไที่รู้มันก็ไม่แปลกหรอกที่ไม่รู้เนี่ยทางเนเราก็ไม่รู้จริงๆเพราะงั้นแนวดั้งเดิมของคนรุ่นปุญญาตายติทันสร้างไว้เนี่ย มันทําให้เกิดเขาเรียกลักนักศาสนาอย่างหนึ่งคือกุลสัมพันธ์คือความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันของคนภายในสกุลเดิมทีนะเดิมเนี่ยสังคมไทยเราจะนิยมเรื่องอย่างหนึ่งเรียกวัดระบทคือว่าพระลาดไปเทศเรื่องมคฆะมนต์นี่มากนะเรื่องเท้าสกตะเทวราชเรื่องอนิสงส์ก็การสร้างศาล า, ส ร, า, ส, า, ราสร้างสระน้ําสร้างสวนดอกไม้อะไรแต่ไรเนี่ยบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทั้งหลายเนี่ย สมัยโบราณนะก็จะพูดเรื่องแบบเนี้มันมาจากประวัติของท่านมาครานพซึ่งต่อมาก็คือเกิดเป็นท้าสกัดเทวราชเนี่ยมันจะมีการพูดการอธิบายในเรื่องเหล่านั้นกันมากแล้วก็จะมองไปที่ตัวธรรมะซึ่งก็มีอยู่องค์ธรรมนะฮะมีอยู่ทั้หมดก็เจ็ดข้อเดีวยวกันกเรียกวัตรบทเจประการก็หนึ่งอุปถากบํารุงมารดาปิดาบาลีโอมาตาเปติพลังชนตุงอุปถากบํารุงเลี้ยงดูมารดาปิดา กุเรเชิดถาปจายินังมีการประพฤติตนอ่อนน้อมถ่อมตนให้ความเคารพนับถือตามสมควรแก่ฐานะต่อผู้ใหญ่ภายในสกุลของตัวเองขอยพ่อขอยแม่น้นไม่สำคัญเราให้ความเคารพนับถือสนังสกิลและสัมผัสสังพูดจา ก, กันด้วยถ้อยคำที่ไพเราะอ่ อ, อนหวานสบายหูสบายใจแล้วก็เป็นเจตนาที่ดีงามต่อท่านเหล่านั้น เปสุน ย, ยปาหยินหนังลดละการส่อเสียด ย, ยุยงในหะ้เกิดความแตแกแยกร้าวฉานระหว่างคนสองคนขึ้นไปจนถึงกับหมู่คณะพวกบางทีก็ไปยุคนภายในบ้านในทะเลาะกันเองเดมัจเฉระเรวนเยหยุดต่างคจัดมนทินคือความสนีออกไปจากใจในแวดวงของเราเนี่ยไม่ควรจะแสดงความเห็นแก่ตัวอือเพื่อเผื่อแพ อ, อุปอมอารีมีมิรเมตรี rid, ต่อคนทั้งหลายเนี่ย แล้วก็มีสัจจะมีความซื่อสัตย์มีความซื่อสอรงมีความจริงกายจริงวาจาจริงใจจริงต่อเวลาหน้าที่การงานข้อตกลงนัดหมายเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าสัจจะนี่สังคมเราขาดแคลนเนี่ยเอหาคนจริงใจได้ยากจริงจังก็หาได้ยากเหยอะแยะเลื่อนลอยเมื่อยลอยไปมีเยอะเลยแล้วก็ใคดจัด ไม่ถึงกข็ขจัดนะนะคือข่มความโกรธแมื่อคาเราอาจจะโกรธจะไม่พอใจต่อญาติพี่น้องบางคนมื่ก่อนจะมีนะวุบวปุบปั๊บขึ้นมาเนี่ยแต่ทํายังไงข่คมความโกรธเอาไว้อย่ารู้อํานาจแกอารมณ์มากเกินไปแล้วเวลนี้เราก็คิดแบบฝรั่งว่ามีอะไรก็ระบายออกมาให้หมดนั้นไม่จําเป็นจะต้องระบายนะฮะคือถ้ากลิ่นมันไม่สะอาดเราระบายออกมามันก็ไม่ดีเพราะว่าจีนทจริตเนี่ย มันไม่ต้องระบายหรอกเราก็ค่มในภายในให้หายไปมันอยู่ที่ใจเราคิดเฉยๆมันไม่จําเป็นจะต้องระบายมากถ้าเราหยุดคิดมันก็จบแล้วมันไม่มีอะไรอ่ะนะฮะแต่เราไปปรุงคิดคิดปรุงขึ้นมาเฉยๆใกล้ๆกับคนมองเราแล้วเรามองเขาด้วยความหมันไส้ก็ไปถามสักถามขึ้นมาพอเขาเล่าการที่เขามองให้ฟังว่ารู้สึกคลับคล้ายคลับคคาจะเป็นเป็นญาติคนนั้นหรือเปล่าเป็นลูกคนนั้นหรือเปล่าอะไรต่างๆ พอเรารับปากอ๋อเนี่ยนี่นะที่งั้นที่งั้นเป็นญาติกับพ่อของคุณอย่างงั้นอย่งงังั้ น, น, น, นความรู้สึกโกรธมันก็หายเป็นความรู้สึกเคารพนับถือนะแล้วอาจจะชักชวนไปรับประทานอาหารหรือว่าไปพบกับพ่อแม่ของเราเนี่ยอันนี้ก็คือลักษณะว่าทั้งหมดใจมันคิดเอาาวันทำยังไงว่าเรื่องบางเรื่อ ง, อ ง, องคิดแล้วมันกลุ้มคิดแล้ววิตกกังวลก็อยากคิดมันจะบ้างเพื่ออะไรเพื่อรักษาสัมพันธ์ในมิตรีแนบแน่นเอาไว้ ก็โบราณท่านจึงเตือนรักยาวให้บันรักสั้นให้ต่อหมายความท่ารักยาวเนี่ยมันต้องตัดแต่ยุ้มยิ้มออกใชบ้างแต่รักจะอยู่กันไม่ยืดก็ต่อความยาวสาวความยืดไปก็เป็นเรื่องที่เราต้องรับผิดชอบเองตั้งฝั่งทั้งหลายแต่รบมาโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่า น, นี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงอกงามไพบูุญในธรรมจัมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี